بسم الله الرحمن الرحيم ن َّ الحَمْدَلِلَّهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن ي َ ه ْ د ِ ه ِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ َ ه ُ وَمَن ي ُ ض ْ ل ِ ل فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَلا إ ِ ل َ ا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا ر اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ وبمن ت ب ع ه م بإحسانٍ ل ى يوم الدين ربِّش رحلِي صدرِي ويسر لي أمرِي و ح ل ُ العقدة من لساني يفقهُ قولي اللهم بِك أصبحنا وبِك أنسينا و ب ك نموت وبِك ن ح ي و ل ا َ ئ ِ ك َ ن و ر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมัสาซุบฮ์ทุกทุกท่านครับ Al อัลฮัมดุลิลละขัดคุอัลลอฮฺ سبحانه และที่อัลลอฮให้เราตื่นมานะครับขณะที่พี่น้องของเราบางคนยังนอนอยู่ดุอาบทแรกที่เราอ่านบนที่นอนก็คือ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإله النشور นี <whilst> ่ <oa> เป็นด <SA> um ua บทแรกที่เราอ่านบนที่นอนด ua บทที่สองก็คือด ua เข้าห้องน้ำ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ด ua บทที่สามก็หลังจากห้องหลังจากเข้าห้องน้ำแล้วออกมาก็คือ g u f r a Naka. Doa berterusam ke doa orang oh, cakban. Bismillahi, Tawakkal tu ala Allahi, Walla hawa Walla kubwa illa billah. Doa berterusik ke doa kaum masjid. Allahu mafthahli, Abuwabar rahmatika. Kau mi iduah, iduah. Tanpa sepa. Naaap. الحمد لله الذي كساني به عورتي وأتجمل به في حياتي. ลูกาสองกระจกอีกละอัลลอฮุมกระ마 حسن تخلقى فحسن خلقى. ตรงนี้แปลว่าโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยทำให้รูปร่างของฉันเนี่ยสวยสมารถฟ้าสินคลกี โปรดทำให้นิสัยอัคลาของฉันสวยเหมือนกับร่างที่อัลลอ์สร้างมานี่ความจริงดูอาน่นะมาถึงช่วงนี้ยังน้อยนาหกเจ็ดดอาแล้วนี่ถึงอัลลอ์ได้สั่งนบีว่าให้บอกว่าคนที่รำลึกถึงอัลลอ์เนี่ยผ่านบนดวอาต่างๆทำให้หัวใจของเขาสงบถ้ารู้ความหมายด้วยยิงดีใหญ่ ฉะนั้นชีวิตของเราที่เหลืออยู่เนี่ยนะต้องเป็นชีวิตที่รำลึกถึงอัลลอ์ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็นบีก็สอนอีว่าอุษกรุลลอฮฺอะลากุลิฮาลินหรือฮานินให้รำลึกถึงอัลลอ์ในทุกๆเวลาทุกๆโอกาสถามว่าเป็นคนบ้าหรือนึกถึงอัลลอ์นะไม่ใช่ คนที่นึกถึงอัลลอ์เนี่ยแสดงว่าเขาไม่ลืมตัวเองไอคนที่ไม่นึกถึงอัลลอ์คนนั้นนะเป็นคนที่ลืมตัวเองั้างการจำเรึกถึงอัลลอ์นั้นทำให้หัวใจสงบหัวใจสงบทำดีๆแล้วนะพี่นอ้องเอาวันนี้ขอบคุณอัลล์นะที่เราทบทวนอัลกุรอานมาเนี่ยมาถึงสูรอ์อิบรอฮีมสุร่า์ที่14ปีที่ สิบสี่ใช่ไหมสิบสี่ซูราะเนี่ยสิบสี่ปีคนที่มาฟังตำซีตายไปหลายคนแล้วนะครับแต่คุณอ่านก็ยังทบทวนกันอยู่เราไม่หยุดนะนะครับวันนี้มาถึงซูราะอิบรอฮีมนี่ทางว่าจำหมดนะได้ความรู้เยอะไปหมดเลย แต่อ่านจำสัก20เปอร์ซก็ยังดีนะผ่านหูผ่านหูผ่านหูนะครับาสาซุรอิบรอฮีมเนี่ยเราเพิ่มทบทวนมาได้สี่อายะห์เองอายะห์สุดท้ายที่ผ่านมาก็คือคือกูร์านนี่อลัลลอ์ส่งมาในภาษาของของใครนะของนบีเองเอานาบีอยู่ชาติไหนอลัลลอ์ก็ส่งภาษานั้ น, นลงมา คุณอานเนี่ยเป็นภาษาอะไรนะเป็นภาษาอาหรับภาษาอาหรับเนี่ยเอาไปใช้พูดในสวนสวรรค์โอ้โหเมื่อคืนผมก็นั่งคุยกับหลานหลานหานก็ถามว่าแล้วก็เราไม่เรียนภาษาอาหรับเนี่ยจะคุยกันรู้เรื่องอะไรพอเข้าสวรรค์เนี่ยพูดพูดภาษาอาหรับเลยไม่ต้องไปเรียนอัลลอฮ์ให้พูดพูดได้เลย คือภาษาใ น, นสวรรค์คือภาษาอรับอัลลอฮฺตาลาให้เกียรติมากครับนี่เอาภาษาคุรานเนี่ยไปพูดในสวนสวรรค์มันทำดูลีละนะครับคุรานนี่เป็นภาษาอับดับนะครับวามะอัลสันะมิลรอซูลินอิลลาบิลิซานีกอมิฮิลิยูบายินะละฮุมนี่ฮัดิตที่ไอคุรานที่เราทบทวนเมื่อเมื่อไรนะเมื่ออาทนะิตย์ อาทิตย์ก่อนนะก่อนวันอีดนะพราอาทิตทย์ที่แล้วในวันอีดตรงกับวันอีดเราหยุดใช่ไหมเราทำโดยลินเล้ทีนี้มีฮะดิษหนึ่งผมลืมอธิบายเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะนบีสอนบอกว่าฟาวัลลอ์ขอสาบานต่ออัลลอ์คืออย่าลืมว่าฮะดิษนี่ก็เป็นวหฮีนะก็เป็นวฮีฮะดิษก็เป็นวหฮีแต่มันแตกต่างกัน กุรอเนี่ยว่าให้ลงมาในถูกบันทึกเลยเราบินนบีท่องจำเลยซาบานนบีท่องจำกันเยอะส่วนคัดีสเนี่ยให้จะพาะความหมายแล้วนบีมาแต่งภาษาเองแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมามาจากอัลลอฮ์นบีสอนอย่างนี้ฝ่ว่ลลาลอขอสาบานต่ออัลลอ์ลัลฟักรออัคชาอาลัยุม ความจนเนี่ยนะอารมณ์ลลไม่กลัวไม่กลัวว่าคนจนเนี่ยนะที่อะไรนะความยากจนที่มาประสบกับท่านเนี่ยนะอารม์ลลไม่กลัวหรอกคือไม่ไม่กลัวว่าคนจนจะเสียคนคือง่ายๆก็แล้วกันนะแต่เราเนี่ยนะกลัวไหมเราเนี่ยจนะกลัวนะกลัวความจนเพราะความจนเนี่ยทําให้เราเสียคน แต่เนี่ยนบีของเราประกันเอาไว้นะอัลลอ์เนี่ยขอสาบานต่ออัลลอฮ์นะฟาวัลล์ความจนนั้นไม่ทำให้คนเสียใช่แต่เราเนี่ยกลัวสิ่งที่นบีกลัวอะไรรู้ไมวาลลกินอัคชาอะไกุมที่สิ่งที่ฉันกลัวแทนพวกท่านก็คือ อันต้าประสูต่ตอและกูมุดดุนยาเมื่อโลกดุนยาใบนี้หมายถึงความสุขความสบายชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองที่อัลลอฮให้มาเนี่ยพอใหผ่านพวกท่านเยอะๆเนี่ยแสดงท่านเนี่ยครองครองดุนยาไว้เยอะเนี่ยมันจะเสียตรงนี้คนพอได้ดุนยาเยอะแล้วมันก็เสียลืมตัว เนี่ยที่น้ําท่วมเนี่ยอัลลอฮ์ให้ดุลยาเยอะนะให้แล้วนะลืมขอบคุณอัลลอฮ์ลืมเนี่ยอามัตที่อัลลอฮ์าตาลาประทานให้พอลืมเนี่ยอมัตอัลลอฮ์ก็เล่นงานนะแต่เล่นงานเนี่ยเล่นมันจะเล่นเยอะนะเล่นพอเตือนเตือนตอนนั้นเองเล่นเล็กในน้อแห่น้ําท่วมผมนึกถึงสมัยนบีอะไรนบีมูซาอะไรวิสซาล ก่อนที่อลัอลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งใครมานะนบีมูซามาใช่ไหมก่อนที่อลัลลอฮ์จะเล่นงานฟาโร่เนี่ยอลัลลอฮ์เมตาก่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่อาดาบมาจากอลัลลอฮ์ตูมเลยนัไม่ใช่อลัลลอฮ์เมตาก่อนบอกมูฟาโร่โเปลี่ยนนะเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนปรับปรุงตัวเองก่อนกลับเมื่อกลับตัวซะโดยส่งนบีมูซามาสอนเสร็จแล้ว ฟาโร่ก็ต่อต้านต่อท้านต่อต้านต่อต้านแล้วก็ส่งอะไรมาใช่ไหมส่งอาสาบมาด้วยแต่อัลลอฮ์ก็เรียกบางครั้งก็เรียกวันนี้หมัดด้วยอาสาบนั่นแหละการทรมานดื้อลงโทษบางครั้งก็เรียกวันนี้มัดเป็นความโปรดปรานด้วยคือถ้าหากว่าได้รับได้รับความลําบากแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองสํานึกตัวเองน่ะมันก็กลายเป็นเนี่ยมัดจนะมั้ยน่ะกลายเป็นความโปรดปราน แต่ถ้าหากว่าได้รับการทดสอบจากอัลลอ์แล้วไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมีลานีและอัลลอฮ์ก็จะเล่นเล่นเล่นลดเลยนะลงลงโทษหนักนะที่ผมนำเสนอเนี่ยตการจะบอกว่าความจนนั้นอัลลอ์ไม่กลัวว่าจะเกิดความเสียหายแต่คนที่เสียหายส่วนใหญ่ทปนคนที่มีมีทรัพย์สินมีเงินมีทองเยอะๆนี่แหละ จะตะการโบดเยอะยิงจองของอวดดีไม่เอ า, าศาสนาก็เลยตอนนี้แหละไอ้ตอนมันรวยๆตอนมันมีนี่นูน้นมีนี้อัลลอฮ์ให้เยอะๆเนี่ยนบีของเราก็เตือนพวกเราไว้นะกค่นั้นอย่าไปกลัวไอ้ความจนนะครับเทเทที่นบีกลัวก็คือความความอยู่ดีกินดีความสบายนี่แหละระวังให้ดีนะครับเอามาดูอายะที่ห้านะครับ ว่าแล้วก็ไดอารซัลน์มูซาบิอาตินาว่ล้ก็ดอารซัลน์มูซาบิอาตินาโดยน้นนองิงเราได้ทรงนบีมูซาแต่ในคุรานไม่ได้พูดนบีนะว่าแล้วก็อารซัลน์มูซา ละโดแน่นอนยิ่งเราได้ส่งมูซาเราก็ให้เกียรตินบีมูซาโดยใส่ว่าอะไรนะนบีมูซาส่งมากับอะไรนะบียายาตินาพร้อมด้วยบีแปลว่าพร้อมด้วยพร้อมด้วยสัญญาณทั้งหลายของเราสัญญาณที่อัลลอฮ์ให้กับนบีมูซาเนี่ยมีทั้งหมดกี่สัญญาณรู้ไหม 9สัญญาณมีทั้งหมด9สัญญาณซึ่งในสูรอรอฟที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะ่ะวก็ลืมไปแล้วด้วยว่าเก้ามีอะไรบ้างนะอาจจะขอทบทวนนิดนึงเกสัญญาณเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่ง <c oughs> โยนไม้ตะพดเป็นงูอ่านี้ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สอง ชักมือมาจากเนี่ยจากกระเป๋าจากเสื้อเนี่ยมือเป็นอะไรสีอะไรสีขาวนี่เป็นอะไรนะเป็นสัญญาณข้อที่สองข้อที่สามก็คือเ อ, อนานบีไม่ใช่นบีสิฟาโรเนี่ยฆ่าลูกผู้ชายแล้วก็เอาไว้ลูก ผ, ผู้หญิงนี่ก็เป็นสัญญาณของนบีมูซ่าบอกว อ, อ, อัลลอฮ์ทั้งหมดนั่นแหละนะอีกข้อหนึ่งก็คือ แห้งแล้งแห้งแล้งฝนไม่ตกผลไม้เนี่ยตายใช่ไหมนั่นก็เป็นสัญญาณนะครับของอัลลอฮฺผ่านนบีมูซาใยิสลามแล้วก็ตูฟานน้ำท่วมแบบนี้แหละเนี่ย แ, แ, แบบแบบแบบเดียวกันนี่แหละนะครับน้ำท่วมพอน้ำท่วมอะไรเป็นไงอัลลอคุณทรมานลำบากจะไปไหนมาไหนไม่สะดวกแบบปัจจุบันนี้ ข้อที่หกจะรอดมีตะกระแตนตะกระแตนเต็มไปหมดเลยเนาะข้าวบนข้าบ้านบัวเต็มไปหมดเลยแล้วก็วันกุมมันมีเหาด้วยเหาเห่หาอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่บนหัวน่าเสียใช่ไหมแล้วก็ข้อที่เจ็ดมีกบบับฟา้ายะแปลว่ากบ ก, บ, กบเขียดเนี่ยตักนมม้ำจะเจอกบ ตักอะไรก็เจอกรบเจอเขียนหมดใช่ไหมแล้วก็ข้อที่สิบข้อที่ 9, u, เก้าอัดดูน้ําเป็นเลือดน้ำเนี่ยเป็นเลือดพอจับมาเนี่ยเป็นเลือดเลยอทิ้งไปหมดเลยเนี่ยแบบตอนนี้เนะีน่ยน้ำน้ำเสียอะไรน่ะน้ําเน่าตอนนี้ใช่ไหม ม, มันก็ไม่ตามอะไรกับสมัยนบีมูซาอะลัยฮิสลามตอนนี้คนเน่าสักสามสี่เดือนเนี่ยก็น้ําก็เหม็นแหละใช่ไหม ท่านวันนี้อัลลอฮ์ให้น้ําเน่าผ่านน้ําท่วมสมัยก่อนนั้นอัลลอฮ์ให้น้ําท่วมผ่านเลือดใช่ไหมเนี่ยเป็นข้อเตือนใจทั้งหมดเลยท่านมุซินได้ประโยชน์เยอะมากสําหรับรายการเนี่ยการทดสอบของอัลลอฮ์สุบฮานาอูวาตาล้วะล้ก็ดอารซัลนามูซาบิอาตินาด็โดยแน่นอนยิ่งเราได้ส่งมูซาพร้อมด้วยสัญญาณทั้งหลายของเรา ส่งสัญญาณมาส่งมูซามาเพื่ออะไรอันอัคริจอันอัคริจเพื่อนำห ม, มู่ชนเก้ามากะเก้ามุนภวาพวกหมู่ชนหมู่ชนของนบีมซสาเนี่ยนะครับมินาซูลูมาออกจากความมืดทึบทั้งหลายอิลั น, นูริสู่แสงสว่างคาว่าสู่อิสลาม ในสมัยนบีมูซานมีอิสลามมาอย่างอิสลามในสมัยนบีมูซากับสมัยนบีมูฮัมหมัดเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละคือยืนยันในอัลลอฮ์องเดียวแล้วก็ยอมรับให้นบีมูซาเป็นรัซูลของอัลลอฮ์เหมือนกันพกอกล่าวว่าลออิเลออิลลอฮ์ก็ตามด้วยมูซ่ารัชสูลุลลอฮ์แต่ว่าภาษานี่มันไม่มีสมัยนู้นยังไม่มีหรอกใช่ไหมตกลงว่านาบีมูซามานมาสอนคน ออกจากความมืดมาสู่แสงสว่างแบบเดียวกับนบีมุฮัมมัดเหมือนกันตัวหลงว่าคนที่อิมานต่อนบีมูซาในวันนั้นเป็นมุสลิมคนที่อีมานต่อนบีมุฮัมมัดวันนี้ก็เป็นมุสลิมแต่อุมมาของนบีมุฮัมมัดกับอุมาของนบีมูซาไม่เหมือนกันนะอุ ม, มาของมุฮัมมัดเนี่ยเป็นอุ ม, มาที่ประเสริฐที่สุดเป็นอุ ม, มาที่ประเสริฐที่สุดเพราะเป็นอย่างนี้ มุฮัมมัดกับนบีมูซาน่ะต่างกันนะมุฮัมมัดเนี่ยอัลลอ์ส่งมาสำหรับมนุษย์ทั้งโลกเลยนะมุษทั้งโลกส่วนนบีมูซานีสาาาา่ส่งมาเฉพาะใครส่งมาเฉพาะบันิอิสราอีนอย่างเดียวมาสอนพวกบันิอิสราอีนอย่างเดียวมาสอนนั่นสอนพวกฟาโรกเกตี้เนี่ยให้ให้เปลี่ยนแปลงตัวเอง เห็นไหมอย่างนี allora. so, ้เป็นต้นเลยฉะนั้นมูฮัมหมัดกับมูซาเนี่ยต่างกันเพะมูฮัมหมัดเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมากับไรนะลิลาและมีสำหรับคนทั้งโลกครับต่อมาครับวะซักกิรุฮุมบิอาญามิลละวะซัคกิรุฮุมเนี่อัลลอฮ์สั่งสั่งอบีมูซานะสั่งว่าไงนะจงเตือนพวกเขา ซิกเกเนี่ยซากก็ตเนี่ยงเตือนพวกเขาเตือนพวกเขาให้นึกถึงเบียยามิลละอายามแปลว่าวันทั้งหลายของอัลลอฮ์เตือนพวกเขาทั้งหลายให้นึกถึงวันทั้งหลายของอัลลอฮ์อะไรบ้างอะพวกวันนี้อิสราอลีนนี่ยนะที่เล่าเนมะื่อ ก, กี้นะ่าเกข้อนั่นแหละ เตือนเขาให้นึกถึงนี่ไงเดี๋ยวเลือดมาเดี๋ยวเห่ามาเดี๋ยวไรนะเดี๋ยวกบมาเดี๋ยวน้ําท่วมมาเดี๋ยวแห้งแรงมาทั้งหมดแล่านี้มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดไม่จะเกิดขึ้นโดยความบังเอิญทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์หมดเลยไม่ได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญฉะนั้นวันนี้เราอ่านอา ญ, ญาณี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยตรงกัน ตรงกันเลยนะครับฉะนั้นเราพวกเราก็ต้องเตือนกันนี่นะเนี่ยน้าท่วมครั้งนี้มันนึกถึงใครนะสมัยนบีมูซาอะเลฮิสาลาบเหมือนกันคล้ายครๆกันนะครับ <c oughs> ทีนี้เตือนกันให้จำลึกถึงวันทั้งหลายของอัลลอฮ์ฟาโรทเนี่ยทอะไรบ้างพี่น้องกดขี่ประชาชนคนที่กดขี่ประชาชนนี่นะ รัฐบาลไหนก็ตามที่กดขี่ประชาชนเนี่ยรัฐบาลนั่นอัลอร์เล่นงานลอเล่นงานครับจะช้าหรือไวเท่านั้นเองและอัลลอฮ์ไม่ลืมด้วยอินนัลลอฮะวะลาตัซับันนัลลอฮะรอฟิลน้ำมาแยกมาลุดรอหรือมูนคนรอเหลี่ยมทั้งหลายที่ได้อทธรรมอะไรไวเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ลืมนะแต่อัลลอฮ์ประวิงเวลาเอาไวเท่านั้นเองรวมไปถึงพวกเราที่ไม่เอาซุนนะนบีเนี่ย ระวังตัวให้ดีอลัลลอฮ์ไม่ลืมหรอก <c oughs> นึกถึงนบีไซ น, นาอุมาร r a อ i y a l อ a h u a n วันที่ไปพิชิตเมืองอะไรนะเมืองอียิปต์วันนั้นไปนะเขามอบกุญแจเมืองให้มีคนมายืนตอนรับท่านเนี่ยเต้นไปหมดเลยท่านก็เดินผ่านพวกบาดหลวงบาดหลวง อนอสอรอรคริสเตียนเขาก็มายืนต้อนรับไซนาอุมัดด้วยพอเดินผ่านไปก็ยืนคุยกันคุยกันไม่กี่คำไซนาอุมัดน่ะร้องให้คนที่เดินตามไซนาอุมัดก็ถามว่าท่านร้องให้ทำไมไซนาอุมัดบอกว่าฉันนึกถึงอายากุรานอายาหนึ่งอามีลาตุล น, นาซีบะตัฟลานาเรน ح ا มียะ ตรงนี้แปลว่าอะไรอานวิละตุนประวัติทำงานนาซิบ้าเหนื่อยต้องการจะบอกว่าพี่น้องชาวคริสเตียน น, ยนะทำงานเหนื่อยเนื้อเหนื่อยต้องเอผยแพร่ศาสนาไปทั่วโลกไห็นไหมแล้วก็ตัสลลนาะรอนฮามิยาผลผ ล, ผลสุดท้ายนสอสโรนีเนี่ยนอสรอเนี่ยโยนลงไปไหนไฟนระก ทำงานที่ที่อัลลอ์ไม่ได้สั่งอะ่ะเหนื่อยเหมือนจะบอกพวกเราวันนี้ที่เป็นมุสลิมที่ไปทำงานของที่อัลลอฮ์ไม่สั่งอะ่ะเหนื่อยนะเหนื่อยเสร็จแล้วถูกโยนลงไปไหนไฟนระกอย่าเอาเลยก้นทำตามที่นบีสั่งและอัลลอ์พอใจดีกว่านะถึงจะทำไม่มากแต่ว่าอัลลอ์พอใจแล้วก็ตรงตามสุนนะนบีมันห้มโดยเลยล ถึงเหนื่อยก็มีสวรรค์มีสวรสวรค์ตอบแทนนะครับเอาต่อมาครับ <c oughs> นึกถึงเนี้อมัดที่อัลลอฮ์ได้ประทานกับนบีมูซามีอะไรบ้างในตัฟซิดอธิบายบอกว่าอัลมัณนวัสลวาอัลลอฮ์ได้ประทานอัลมัณหมายถึงน้ําตาลน้นําตาลก้อนชนิดหนึ่งที่เหนียวแล้วก็มีมีนกนกอะไรนะ มีนกชนิดหนึ่งน่ะนะบินมาเนี่ยมาเกาะเนี่ยกินเอาไปทอดได้เลยไม่ต้องไปลงทุนอะ่ะอัลลอฮ์ให้มาเน่ยเดินต้มเต็มจอมเต็มอ้วนเชือทเอาไปทอดได้เลยพอกินอิ่มแล้วก็ต้องการจะกินของหวานก็มีเนี่ย่วกละมาจาก ฟ, ากฟ้าๆเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาเมื่อกินมากๆแล้วพวกนี้ก็เลยเยาะยิงจองหองกาวอัลลอฮ์เองนเนี่ยนี่มาที่อัลลอฮ์ให้มาต้องนึกถึง และขอบคุณอลัลลอฮฺสุภาพนา่ารัรวมไปถึงพวกเราวันนี้ก็เหมือนกันอลัลลอฮฺให้เนี่ยหมัดเราเยอะไปหมดอ่ะอ่าบางคนเนี่ยมาเดือบวยด้นะนี่ยนะบางคนไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยนะใช่หรือไม่ใช่ต้องขอบคุณอลัลลอฮฺยังไงอ่ะเนี่ยร่างกายร่างกายยังแข็งแรงอยู่เนี่ยต้องสู้หยุดเยอะๆเอาบางคนอลัลลอฮฺให้เนี่ยมัดเงินเงินทองเยอะๆทําไงต้องบริจาคอะบริจาคก็มีอยู่สี่อย่างเนี่ยเหนื่มใจได้นะ จ่ายอากาศสองจ่ายซดากะสามจา่ยายฮารีฮารีมาดึงให้ของขวัญกันแล้วก็ทํามวาคาสเนี่ยสีรายการเนี่ยอา้าวอัลลอฮฺให้ความรู้กับท่านพี่น้องมาอย่ากเก็บความรู้อย่า ก, กอดความรู้ไว้ทําไงเอาความรู้นั้นไปสอนต่อตัวหลวงวันนี้ยมาที่เราได้รับพวกเรานั้นหนึ่ง เนี่ยอมามัดที่เป็นเงินสองเนี่ยอมามัดที่เป็นร่างกายแข็งแรงสามเนี่ยอมามัดที่เป็นความรู้แล้วก็เ น, นี่ยอมามัดที่อัลลอฮ์ให้เรามี إ ي م า ن ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลกุบะต้องขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาหูบนะต า, าดะนะครับเอาต่อมาครับข้า <c oughs> นาบีนี่เป็นฮะดีษอธิบายต่อนะครับบอกว่าให้รำลึกถึง เตือนพวกเขาให้นึกถึงวันทั้งหลายที่ของอัลลอฮ์นะครับหัดทิสอธิบายอย่างนี้ท่านกอตาดะได้อธิบายบอกว่าเนี n ia, n ia ab du, ab ่ยเนี่มาลาบดุอับดันอิซาบตาละซอบบรอนี่ยอามัดที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับพวกเราทุกคนเนี่ยนะให้ไม่เหมือนกันนะเมื่อได้รับนี่ยอามัดของอัลลอฮ์แล้วเนี่ย จะเป็นถ้าเป็นเนื่อมัดไม่ดีนะเช่นเนื้อมัดลาบากความลาบากนี่นะเราไม่เรียกเนื่อมัดแต่ฮะดีษนะเรียกว่าเป็นเนื่อมัดเป็นความโปรดปรานด้วยนะอย่างน้าท่วมเนี่ยคนที่เข้าใจาศาสนาเนี่ยจะมองว่าอันนี้เป็นเนื่อหมัดเป็นความโปรดปรานที่เราให้มาแต่มันลาบากหน่อยเรื่องลาบากนั้นต้องสอบัดต้องอดทนอย่างเดียวไม่มีคำว่าบน มุมินนะครับเมื่อได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์ไม่มีคำว่าบ่นและบ่นอีกไม่มีทำไงพี่น้องซอบั์อดทนเวลาอดทนเนี่ยต้องหวังนะอดทนภัพต้องนึกอย่างเดียวหวังความโปรดปานจากอัลลอฮ์ سبحانه และุาเวลาอัลลอฮ์ให้เนี่ยอามัตที่เป็นความดีทำไงครับชุกรต้องขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และุทธาีว มาดูเนี่ยนบีสอนอย่างนี้นะครับในหัดยึของบุคฮรีอิมามมุสลิมบอกว่าอินน์อัลมร์ลมุหมินกุลลูฮูอาจีบเขาว่าคนที่เป็นมุมินจริงๆนะไม่ใช่คนแขกนะคนที่เป็นมุมินจริงๆเนี่ยแปลกมากเลยประหลาดมากเลยไม่ว่าอัลลอจะตัดสินให้เขาลำบากหรือสบายก็ตาม อ ي م ا ن ของเขาเพิ่มขึ้นทั้งสองรายการทดสอบให้เขาลำบากอีมานมันก็เพิ่มทดสอบให้เขาสบายอีมานของเขาก็เพิ่มอ้าวอธิบายยังไงอ่ะอิดะอซอบาดุบอัลรอซอบอัลรอเมื่อเวลาเขาประสบกับความลำบากเขาอดทนอดทนผลละบนมีไหมมีครับแต่ใจต้องนึกนะผลบุบนนี่ ขอรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์มีหะดีษให้อ่านดูอาว่าไงอินนาได้ครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลลยฮิรอจิอูและ อ, อีกอีกว่ากหนึ่งอัลลอฮุมะยุดนีฟีมูซีบาตีวะคลุฟลีเขาจะร้องมินฮานี่ช่วงน้ำท่วมเนี่ยว่าประจําเลยพี่น้องชายยุทธิาว่าหรือเปล่าไม่ทราบนะ ต้องอ่านนี้แหละเยอะๆใช่ไหมตัวเราวันลำบากมาอดทนได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอ์สบายอย่างพวกเรานาอย่างมันๆที่ท่านท่าจะมาแล้ใช่ไหมเนี่ยถึงยังเปรมๆนะนะครับลำบากมาต้องอดทนสบายต้องขอบคุณอัลล์ได้ผละบุญทั้งสองขึ้นล่องได้ผลบุญหมดเลยนะครับนี่ใครนะันาบีชมมุมินผู้สัตาของอัลลอฮ์ س ب าณ ن ه แตะแล้ ว, ว อาต่อมาครับอินนฟิดาลิกาลาอัยอินนฟิดาลิกาลาอัยแท้จริงในนั้นในอะไรนะั้นในความลำบากหรือในความสบายเนี่ยนะละอายาตมีอะไรนะมีสัญญามีบทเรียนละอายาตเนี่ย ถ้าแปลว่าบทเรียนคช่องโชคใครเข้าใจง่ายหน่อยมีบทเรียนนะลีกุลลีสบารินชากรสํสำหรับทุกทุกคนกุลลีทุกทุกคนสบารินแปลว่าอะไรนะอดทนสำหรับผู้อดทนชากรุษสำหรับผู้กระตันอยู่ผู้ขอบคุณตกลงว่าต้องขอบคุณจริงๆต้องอดทนจริงๆถึงจะมีข้อ เตือนใจเป็นบทเรียนสำหรับคนที่ได้รับสบายหรือลำบากก็าตามถ้าลำบากต้องซบบาาจริงๆสบบ้าหมายถึงอดทนจริงๆอดทนจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าสบายก็ต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าคงว่าซบบาาในภาษากุรานแปลว่ากาเซรุสบบรอดทนเยอะมากเลยอัลกาซซรุสบบริอดทนมากๆ ช h ก, กูรินแปลว่าอัลกัซีโรชุกรขอบคุณเยอะๆจะไหมถึงจะได้รับข้อเตือนใจได้รับบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับท่านกอตาด้อธิบายบอกว่าอัลอาบดุอิซาอัลโตาชากรอเบาวที่ดี น, นเวลาเขาได้รับอะไรดีๆจากอัลลอฮ์เขาจะขอบคุณอัลลอฮ์ว่าอิซาบัตตูลีย เมื่อเวลาเขาถูกทดสอบเนี่ยซบร์เขาอดทนไม่โวยวายไม่ตีโพตีพายไม่ด่าคนนั้นไม่ทำหนีน้คนนี้นะครับท่านชวบีได้กล่าวบอกว่าอาซอบรุนิสฟุลีมานการซบัตเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของของอีมานนะอัลลอฮฺอักบารแล้วก็วัชุครีนิสฟุลีมาน ขอบคุณก็เป็นครึ่งหนึ่งของอีมานีน่มันใช่นบีพูดนะใครนะชัว บ, บีมาถึงอุลมอคนหนึ่งที่อธิบายกุปรานี่อธิบายให้ฟังเชานสบายนกอดทนเนี่ยกับการขอบคุณดีมหมดีหมดเลยเพราะมันทำให้อีหมานสมบูรณ์ไปแล้วอย่างละครึ่งละครึ่งละครึ่งนะครับต่อมาอายาที่ห ว่าอิสกลามซาลิกาวมิฮีและจงรำเลืกถึงเมื่อนบีมูซาได้กล่าวแก่มูชนของเขาเนี่เราตาเล่าให้เราฟังนะหน้าที่ของนบีมูซาก็มาสอนศาสนาได้ละสอนสอนสอนสอนสอนเสร็จแล้วล อ, อ, อ, อ, อ, อุซกูรูจงรำเลืกถึง มาถึงจงสอนให้พวกเขาได้ล้ำลึกเนี่ยมาตลอดอย่างกุ้มถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้มีต่อพวกท่านให้นบีมูซานี่นัดเตือนพวกพี่น้องของเขาให้นึกถึงเนื้อมัตที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับพวกท่านทั้งหลายนะ่ะมีเนื้อมัดอะไรบ้างอธิบายเมื่ออายาที่แล้วนั่นแหละหนึ่งให้อะไรมานะ ให้นกคุมมามาต้องไปหาง่งแล้วก็ให้ของหวานมาสมัยก่อนนะั่นะนะนะอลัลลอฮเมตตามากเลยเ อ, ลอัลลอฮกว่าให้นึกถึงเนี้อธมัมเราเองก็เหมือนกันวันนี้ต้องนึกถึงเนี้อธรรมนะนึกยังไงอะ่ะตอนคลอดออกมาเนี่ยวันนี้อายุเท่าไหร่บางห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแล้วเมื่อก่อนมีอะไรมาเหร ไม่นีวันนี้มีอะไรมีบ้านหลังหนึ่งมีที่ดินร้อยตารางวามีรถสามคันมีเมียนหนึ่งคนมีลูกหอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยอมามัดทั้งหมด ม, มีความรู้มีการศึกษาได้รู้ภาษาอังกฤ ษ, ากฤษามาลายูใช่ไหมเนี่ยอมามัดทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยอมามัดทั้งหมดที่อัลลอฮ์ให้ได้มีโอกาสได้เดินทางไปเมืองนั่นเมืองนี้เมืองนี้เมืองนั้นนี่เป็นเนี่ยอมามัดทั้งหมดเลย แต่ไปทําพลาดมาแล้วหรือทำดูลินแลทั้งหมดที่เป็นเนี่ยมัดหมดเลยฉานั้นนบีมูซาอัลลอฮ์สั่งว่าให้เอ่ยความดีเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับพวกท่านเราก็ต้องคุยกับภรรยาเราบ้างว่าเอ่เนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้กับเรานะ่ะมีอะไรบ้างลองนึกดูซิมีอะไรไหมโอ้หรือทำดูลินลเนี่ยลูกเราก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่งงานแล้วมีบ้านอยู่เอง มีงานทำมีรถทุกเรา่นำมารหรือเปล่าต้องนึกมันมีงานมันมีเงินใช้ดี แ, แต่มันไม่นำมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ต้องเตือนกันใช่ไหมต้องเตือนกันนะอ่ะทีนี้อิศอันจจคุมมินอาลีฟิรอาวนนยาซูมูนักุมซูอลัลอาอาบอัลลอฮฺสั่งอบีมูซาบอกว่า จงรำลึกถึงนอิสอันยากุมเมื่อพระองค์ได้ทรงช่วยคำว่าช่วยเนี่ยดีมากเลยนะอัลลอฮ์ได้ทรงช่วยพวกท่านเนี่ยให้รอดช่วยให้รอดจากใครนะอาลีฟิรอานจากบริวารของฟาโรของฟิรอาน แสดงว่าคนที่แสดงเนี่ยคนที่ทำลายน่ยไม่ใช่ฟาโรห์จะบริวารฟาโรห์ด้วยใช่หไหมบริวารเนี่ยทำลายประชาชนทําลายพวกบันนีอิสราเอลนั่นแหละให้เป็นอะไรให้เป็นทาสสร้างเมืองพปริมิดทุกวันนี้มันเอาเราเก็บเอาไว้ให้หมดนะเก็บไว้ทั้หมดให้เป็นอนุสรดูนั่นฝีมือของคนชั่วเป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหม ทีนี้อัลลอฮ์ได้ทรงช่วยพวกท่านให้รอดจากบริวารของฟิรอาหยัซูมูนะกลุมแปลว่าพวกกดขี่พวกท่านผู้กดขี่พวกท่านยัซูมูเนี่ยแปลว่าทำความเดือดร้อนให้มาถึงกดขี่พวกท่านเนี่ยอัลลอฮ์ช่วยให้ท่านปลอดภัยเห็น hmm. ไหมนึกถึงนึกถึงนึกถึง ใช่ไหมอัลลอฮห้ช่วยให้พวกคุณนะ่ะปลอดภัยนะนี่บอกพวกบันิอิสลรีนวันนี้ที่ทําลายโลกอยู่วันนี้นะที่ทําลายพี่น้องมุสลิมที่ไปยึดอิรักที่ไปฆ่าใครตะใครในโลกนี่เต็มไปหมดเนี่ยสำนึกตัวซะนาเนี่ยอัลลอฮ์ช่วยพวกท่านให้รอดจากฝีมือลูกน้องของฟาโร่โทาลายพวกคุณในวันนนะู้นน่ะวันนี้อัลลอฮ์ให้พวกคุณปลอดภัยหมดแล้วแล้ววันนี้คุณเองก็ทําลายคนต่ออีก ระวังระวังระวังอัลลอ์ไม่ลืมนะเวลาตักสับอัลลอฮะก็ฟิลันอามมาอยากมาลุษริมูนคนที่ทำชั่ววันนี้อัลลอฮ์บันทึกทั้งหมดเก็บริคอร์ดเรื่องราวทั้งหมดของคนชั่วที่ทำบาปวันนี้ที่กดทีประชาชนไว้เดี๋ยวนี้พวกฟาโร กับบริวานฟาโรท์ทำอะไรบ้างคร um. ับอยู่บเบฮูนอบนาอคุมนี่อัลลอฮ์เล่าเตือนบ่อยๆพวกเขาทำไงนะฆ่าลูกผู้ชายพวกนี้กดขี่ด้วยการทรมานอันชั่วช้านะโดยอยู่ับเบฮูนะฆ่าลูกผู้ชายของพวกท่านเห็นไหมทีนี้เวลาอัลลอฮ์จะ จะช่วยให้รอดนะให้ให้มูซารอดใช่ไหมนะมาใช่ไม่ให้มูซาตายอรอดทำไงไปน้องมะของนบีมูซาเนี่ยเอาล่อวะฮีนะวะฮีที่ใจของมะมูซาให้เอามูซาใส่หีบแล้วก็นะลอยน้ำแล้วก็ตะกร้าเนี่ยหีบเนะ่ลอยน้ำผ่านพระราชวังฟาโร ลูกลห ล, ล, ลานมีเมียกำลังอาบ น, น้ำอยู่ก็เห็นหีบมาก็เอาขึ้นพอเปิดหีบเจอกะไรเจอมูซาเจอเด็กเมื่อวันอีดเนี่ยผมพูดวันน่ะฟาโร่ถือมีดถือมีดนะต้องการจะจะฆ่าเด็กฆ่ามูซานี่แหละนบีอิบรอฮีมก็ถือมีดต้องการจะเชื่อดนบีอิสมาอินใช่ไหมนะ่ะมันคนละสมัยกั น, นแต่เอามาพนว ก, กันได้ แต่อัลลอฮ์คุ้มครองไม่ให้ฟาโรห์แทงแทงมูซาอัลลอฮ์คุ้มครองครับอ้าวเศล้วอินนาบีอิบรอฮิมถือเมยียดเหมือนกันต้องการตั้งใจจะเชือดลูกอิสมาอิอัลลอฮ์ไม่ให้เชื้อเห็นไหมให้เอาแพะเอาแกะมาแทนให็นไหมอำนาจอยู่ที่อัลลอฮ์ทั้งหมดอมืต้องขอบคุณอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นยูซับิยักฮูนอับบนาอาคุมฆ่าลูกพวกผู้ชายของท่านทั้งหลาย วายัสตาหิยูนาเนสอาคุมแล้วก็ไว้ชีวิตลูกผู้หญิงของพวกท่านนี่รัฐบาลสั่งอ่ะเอาฆ่าลูกผู้ชายเอาไว้ลูกผู้หญิงเอาวันนี้เราเราเองก็ฆ่าลูกของเราแบบแบบใหม่ไงไม่ต้องคุมกําเนิดไม่ต้องมีลูกใช่ไหมผ่านยาคุมกําเนิดผ่านนู่นผ่านนี้ผ่านนี้ผ่านนั้น ทำตัวแบบฟาโร่ไม่ต่างอะไรกับฟาโร่เหมือนกันนี่ปัจจุบันนี่วันนี้ใช่ไหมคนที่ไม่อยากจะมีลูกมันก็ชอบชอบชอ บ, ชอบแต่งงานแต่งงานเพื่อหาความสุข บ, บนเตียงนอนอย่างเองใช่ไแล้วก็ม่อยากจะมีลูกกัเขาเพราะว่ายาฮูดีมันขู่ว้ามีลูกมากจะยากจนก็เลยไม่กล้ามีลูกก็ทำศีนาได้องนี้เป็นต้นนะนาอูซูบินลาฮิมินซาลิกเอากด ฆ่าลูกผู้ชายของพวกท่านแล้วไว้ชีวิตผู้หญิงของพวกท่านวาฟิเดลิกุมและในนั้นบาลาอุนเป็นการทดลองมิตรอบเีกุมจากพระผู้อภิบาลของท่านอาซีมุนแปลว่าใหญ่หลวงนี่ไงเป็นการทดลองจากอัลลอฮ์นั่นใช่ไหมเรื่องที่เกิดขึ้นนั่น เป็นพระประสงค์ของ Allah, อัลลอฮ์สุภาณอัลลาห์ผ่านไคลนะ่าผ่านฟาโรผ่านบริวารของฟาโ ร, าโรมาทําลายโลกใบเนี่ยในวันนูน้นพี่น้องฉด้านวันนี้เราก็ต้องนึกเรานี่นะเกลียดฟาโรจังเลยแต่เอานิสัยของฟาโรมาใช่ใช่หรือไม่ใช่ฟาโรฆ่าลูกผู้ชายเราเนะี่ยฆ่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงฆ่าหมดเลยใช่ไหมไม่ให้เมียท้อง ค่าทั้งหมดเลยแต่มันนักกว่าฟาโรใช่ไหมฟาโรมันเลือกเฉพาะผู้ชายแต่เราเนี่ยไม่ว่าชายว่าหญิงไม่เอาทั้งหมดเลยหนักพี่น้องขอบคุณอลัลลอฮ์นะคนที่มีศาสนาเนี่ยเขากลัวอลัลลอฮ์ถ้ากลัวอลัลลอฮ์นะทุกสิ่งทุกอย่างจะกลัวเราหมดนะถ้าเรากลัวอลัลลอฮ์อย่างเดียวนะทุกสิ่งทุกอย่างจะกลัวเราหมด แต่ถ้าเรากลัวนะกลัวความจนอย่างเดียวนะเราก็จะกลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหนะ้าฉะนั้นกลัวอัลลอฮ์ดีกว่านะปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาละเนื้อหมตของอัลลอฮ์มีสองอย่างนะครับหนึ่งเ <c oughs> นื้อมตุลมันสามสามสี่อย่างนะเนี่ยหมัดตุลมานเนื้อหมตที่เป็นเงินสองเนื้อหมตที่เป็นร่างกายนะ สามนี่ามัดที่เป็นความรู้ทั้งหมดเห ล, ล, ล่านี่เอาลอให้นะแต่ต้องผ่านความพยายามด้วยนะเอาคนร่างกายจะแข็งแรงเนี่ยมันก็ต้องไม่สูบบุหรี่ใช่ไหมนะไม่นอนดึกไม่กินเหล้าหรือการพนันไม่นั่งอิชาคนเพราะอิฉายจะทําให้สุขภาพจิตไม่ดีนะฉะนั้นเวลามีร่างกายแข็งแรงให้ทําไงขอบคุณลอโดยการสูดหยุดเยอะๆลุกขึ้นนำมาตะขัดหยุด เดินมานามาที่มสัสติสกับเดินมาอต้องอ่านอัลกุรอานเยอะๆเนี่ยร่างกายแข็งแรงใช่ไหมน่ะที่ที่ร่างกายนี่แปลกนะถ้าหากเอาเอ า, เอาร่างกายมาเก็บไว้เฉยๆนะไม่ออกกําลังนะนะเพรียแย่ yeah, แบบรถนะ่ะเอามาจอดทิ้งเอาไว้อ่ะต้องสตาร์ทบ่อยๆใช่ไหมพอสตาร์ทบ่อยๆรถมันยิง่ง <c oughs> มันก็มันก็ น, กนี่แหละแข็งแรงนะร่างกายคนก็เหมือนกันน่ะ นอนนอนนอนนอนนอนยอะเป็นโรคนะครับไอคนที่เอารถประจอบนสะพานไปสตาร์ทบังหรือเปล่าตัวเนี้ยลองไปดูสิเพื่อนมันรักกันแล้วมั้งเขาเรียกว่าอาสาบซ้อนอาสาบซ้อนซ้อนอาสาบเอารถมาจอดบนสะพานนึกว่าจะปลอดภัยแันรักไปเลยนะครับเขาสั่งว่าไม่ให้เอาผ้าคลุมใช่ไหมล่ะ เดีย๋ยวคนรักไปขอเราก็ไม่รู้ก็ทุบกระจกแตกมาเราก็ไม่รู้ก็เป็นคุมไว้อย่างนั้นอย่าอย่าอย่าคุมจะได้เห็นชัดๆเอาต่อมาครับอายาที่เจ็ดครับอายาเนี้ยท่องให้จำนะว่าอิสต์อาซานะรบบุคุมว่าอิสต์อาซานะรับบุคุมต่อาซานเนี่ยแปลว่าอาซานเนี่ยแปลว่าไรนะประกาศอ่า อาจารย์มุอัดลินสับคําเดียวกันมุอัดลินผู้ประกาศคนที่ประกาศเรียกร้องคนมานามาดเนี่ยเรียกว่าตับลีกดะวะด้วยคนเนี้ยฉะนั้นตําแหน่งบิลันเนี่ยเป็นตําแหน่งที่อลัลลอฮ์ชมมากเลยแล้วก็นบีก็พูดว่าคนที่อาจารย์นี่นะอลัลลอฮ์จะให้เดินในวันในทุ่งมาชัดเนี่นะคอเนี่ย ยาแบบคออะไรนะกีราบ อ, นะอูดคอสวยรู้แล้วนี่นี่นนเข้ามาเป็นกลุ่มโอ้นี่พวกทำงานาศาสนาเนี่ยดาว่าเนี่ยอาจารย์อัลลอฮ์แต่ว่าต้องอาจารย์นานๆเลยนะไม่ใช่หกเดือนเจ็เดือนแล้วก็เลิกสักสิบปีอย่างนี้ใช่ไหมอยู่นานๆหน่อยนะ <c oughs> คนอาจารนี่ยดีนะอัลลอฮ์วัแล้วคนอาจารย์เนี่ ย, นะนนยถูกด่าเยอะ อย่างตอนมัารีบเนี่ยไปอาจารย์ชาไปห้านาทีในแม่บ้านเขารอเขาไม่ค่อยเชื่อทีวีเท่าไรนะทีวีกับเสียงอาจารที่มัสยิดเนี่ยผู้หญิงบางคนสตรีมุสลิม่า จ, จะก็บวชวันจันทร์กับวันพระรหัสเนี่ยเสียงอาจารที MTV เ, เ, เ, เ, เอ็มทีวีเนี่ยเขาไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อเชื่อเนี่ยเสียงอาจารย์ที่มัสยิดเนี่ยเชื่อบิลันเนี่ย พระปิรัรอัลลอฮ์บอหลลล์ถึงจะแก้บวชนะใช่ไหมฉะนั้นชาไปห้านาทีเขาขาดบุญไปห้าห้านาทีฉะนันต้องให้มันตรงเวลาให้เป๊ะอาจารต้องเป๊ะเลยนะนงนี้เป็นต้นเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรนะซาฮู ด, ด้วยอิฟตอ ด, ด้วยเกี่ยวข้องกันหมดเลยฉะนั้นคนอาจารย์เนี่ยถูกด่าเยอะนบีเลยขออุอาหวะแล้วอัลลอฮุบมักฟิรโออัลลอฮ์อภัยโทษให้คนอาจารโดยเธอ อาจารย์เสียงดีคนก็ชมอาจารย์เสียงไม่ดีคนก็ด่าเอาไขมานเย้ยไม่ว่อาอาจารย์ไม่เพราะเลยเดี๋ยแล้วพวกเราบางคนเนี่ยนะบางคนนะดูเรื่องนะว่าตัวฮ่าไม่ชัดดูสิดูสิดูอาจารย์ดูสิดู ด, ด, ด, ดูดูมันทําดูมันทําฮายาลฟาล่าไม่ออกคาดูดูดูดูเนี่ยอาจารย์เห็นไหมต้นอาจารย์เนี่ยมันดีให้มันถูกต้องด้วยนะครับ ว่าอิสตาอัจนาและจงจำเลึกถึงเวลาเวลานั้นเช่นกันนะเมื่อพระผู้อภิบาลของท่านได้ทรงประกาศ น, านี่อัลลอฮฺประกาศาดดานะต่อัจนารอบบุกุมพระผู้อภิบาลของท่านได้ทรงประกาศได้สัญญาได้ประกาศเป็นทางการเลยนะบอกว่าและอินผ่านคายกาผ่านนบีมูซานะและอินชะกะรตุม ถ้าสูเจ้ากะตอญูชุกต์แต่ละขอบคุณน่ะถ้าท่านทั้งหลายขอบคุณละอาซีดันนะุมฉันจะเพิ่มหไหมถ้าใครขอบคุณอัลลอ์ อ, อลัลลอ์จะเพิ่มหไหม ย, ยิ่งขอบคุณอลัลลอ์ยิ่งเพิ่มนี่นะประกาศว่าตั้งสมัยไหน สมัยน บ, บีมูซาดายฮิสลามก่อนหน้าน บ, บีมุ h ั m m a d อีกแล้วก็เอาเรื่องนี้บรรจุในคัมภีร์อัลกุรอานตกลงว่าตั้งแต่สมัยน บ, บีมูซาสมัยน บ, บีอีซามาสมัยน บ, บีมุ h ั m m a d อัลลอ์สัญญาไว้เลยว่าใครที่ขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอ์จะทรงเพิ่มเห็นไหมแต่ทีเราเนี่ยนะเนี่ยอามัดอัลลอ์ให้เนี่ยอามัดความรู้ ก็สอนความรู้กับลูกๆและหลานเราอัลลอฮ์ก็เพิ่มความรู้ให้กับท่านแล้วก็เพิ่มอย่างอื่นอีกไม่รู้ว่าเพิ่มอะไรบ้างใช่ไหมเอาถ้ามีเงินเนี่ยหมัดเงินบริจาคอาัลลอฮ์ก็จะเพิ่ม เ, เพิ่มเงินและเพิ่มอย่างอื่นอีกเราไม่รู้ว่าเพิ่มอะไรบ้างเอาทหาท่านเปน็นน้องมีร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทําอิบาตดะสม่ําเสมอ อลัลลอ์จะเพิ่มอลัลลอฮ์เพิ่มร่างกายให้แข็งแรงกว่าเกา่าและอย่างอื่นอีกเราไม่รู้อลัลลอฮ์จะเพิ่มอะไรดูวอลัลลอสัญญาไว้อาถ้าหากคุณต้องเข้าใจภาษาอรับนะและอาซีดันนักุมดนนะันหน้าบรนณตะกีตนะตะกีตเป็นวันเน่นเราจะต้องเพิ่มอย่างแน่นอนและอาซีดันนักุมเราจะเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับ ว่ um, าลาอิงกฟารตุมทหากท่านทั้งหลาย um, เนรคุณกฟารตุมแปลว่าเนรคุณเนรคุณเป็นลักษณะของใครรู้เปล่าของชัยตอนัยตอนทำทสามอย่างนะ mm hmm. อาบาปฏิเสธวัสตักบารตะกบุรแล้วก็ อะบาวสตักบารอกวาการามินัลกาฟิรินไม่ขอบคุณใครเลยน ะ, ะฉะนั้นนิสัยชัยตอนอย่าเอามาใชา้จะนั้นใครที่เนรคุณคือทำชั่วที่นี่นะอินนาอาบีละชาดีแท้จริงการลงโทษของฉันนั้นสาหัสชาดีซาดิตนะชาดีแปลว่าะไรนะสาหัสการลงโทษของฉันรุนแรง ตัวลงว่าความผิดของเราที่ทำไว้ถึงจะกี่ปีมาแล้วก็ตามถ้าสำนึกตัวต้องเตาบะอย่าดองเอาไว้บางคนน่ะลืมทำความผิดอาไว้ลืมเตาบะอายุเยอะแล้วอายุแกแล้วนึกว่านามาดคงจะลบล้างไอ้ความบาปใหญ่ๆนะไม่ใช่นะนามาดเนี่ยลบล้างบาปเล็ก อาบน้ำนำมาดลบล้างบาปเล็กๆเดินมามสัสยิดลบล้างบาปเล็กๆบาปใหญ่ๆต้องเตาบาต้องเตาบานะครับทีนี้นบีสอนนะครับสอนอย่างนี้อินนารับเดแท้จริงบ่าวที่ดีเนี่ยนะจะต้องเตือนเตือนกันสม่ำเสมอยอย่ายุคระมุดริสก์ริสกีนะ่าถูกยับยั้ง ที่เรากลัวนะกลัวเรื่องริสกี้ใช่ไหมริสกีจะน้อยนี่นบีสั่งว่าอย่าทำบาปนะการทาบาปนั้นอัลลอฮฺจะยับยั้งริสกีของท่านไม่ให้มาถึงท่านอย่าทำบาปนี่ฮะดิสลีนะครับอินนลัดดาลาอุฮรับุลริก์บิดดัมบิยูซีบูฮฺาวที่ดีนั้นต้องไม่ยับยั้งริสกีด้วยการทาบาป พราะบาปนั้นทำใ้ริสกีเนี่ยโหดไปแทนที่จะได้อลัลลอฮ์ไม่ให้แต่ที่คนกาเฟ่เนี่ยเราอาจจะถามแล้วคนกาเฟ่มันทำบาป ท, ทำไมอลัลลอฮ์ให้อะ่ะคำตอบก็คืออลัลลอฮ์ให้รางวัลความดีที่เขาทำบางเรื่องใช่ไหมอาทเช่นเขาบริจาคบริจาคทำบริจาคน้ำท่วมเนี่ยบางคนให้เป็นล้านๆอ่ะ ให้หลายๆลา้านเนะี่ยรวมกันเก็บเงินบริจาคแห่น้ําท่วมหลายหลายร้านแล้วรางวัลตรงนี้อัลลอฮ์ตอบแทนให้บนดุมยาใบนี้เลยให้ในรูปอะไรนะครั้งที่แล้วเนี่ยเรียนแล้วนะ่ยให้ในรูปของอาหารให้ในรูปของอาหารสังเกตสิคนกาเฟ่กับมุสลิมเนี่ยกินอาหารต่างกันนะไอ้เราเนะ่ยกินอาหารตามร้านเนี่ยธรรมดาเนี่ยก็จ่ายประมาณ50สบบาทร้อยบาทแล้วก็อิ่มแล้ว แต่คนกาฟเฟสเนี่ยจ่ายเป็นหมื่นนะ่ะเพราะมันกินหลายทางกินทางปากแล้วยังไม่พอกินทางอะไรอีกกินทางตาอีกใช่ไหมนะ่ะเรากินทางหูอีกอะ่ะฟังเพลงมันกินหลายทางเพราะหลายทางก็ต้องจ่ายเยอะนี่ไงอัลลอฮให้บนดุญยาใบนี้แทนที่จะตอบแทนในโลกอาคีรอท่านอย่ายอย่าอย่าไปอิจฉาคนกาฟเฟสเลยกินไปเ้ังเหล้าตัางเบียนั่นละนะ ไอ้เรานะ่ยกินอย่างเดียวก็พอแล้วเราร่งีบเข้าบ้านเข้ามาสัสยิดพวกพวกมุสลินเนี่ยดีสังเกตนะไม่ได้ไปไหนเขาหรอกอ้าวไปช่วยน้ําท่วมเอาอาหารไปแจกไปปังแปะของอยู่บ้านมามาสัสยิดอ่านกุรานไม่ค่อยเบื่อ ด, ดุจยาแต่คนกาเฟ่เดินทางทั่วโลกนะมันยังเบื่อ ด, ดุจยาเลยนะมันอยากจะฆ่าตัวตายมาหลายคนแล้วนะเนี่ยเล่าไว้ใจนะเพราะเราเรอ่านหนังสือพบเยอะเรื่องอย่างนี้นะครับอ้าวต่อมาครับ อายาที่เจ็ดนี่ดีมากนะครับอัลลอฮฺประกาศนะตั้งแต่สมัยนบีมูซาผ่านนบีมูซาผ่านนบีอีสานผ่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าอินชากรตุมละอาซีดันนะกุมถ้าหากท่านทั้งหลายนี่นะกตันอยูฉันจะเพิ่มความสุขให้กับท่านเพิ่มความสุขดีกว่าแป ล, แปลชัดๆเลยนะเพิ่มความสุขความสบายให้กับพวกท่านบนโลกดุนยาใบ น, นี้และก็โลกอาคีรอด้วยอย่างแน่นอน ว่ละอิงกาฟารตุมแต่หากท่านทั้งหลายนะเนรคุณด้วยการทำชั่วอินนาอาดาบีและชะดีแท้จริงการลงโทษของฉันนั้นสาหัสแน่นอนอย่าลืมว่านี้อมัดที่อัลลอฮให้แก่เรานะมีอยู่หลายหลายข้อนะเอาแค่สมข้อก่อนหนึ่งอะไรนะเนี่ยอมามัดที่เป็นเงินสองเนี่ยอมามัดที่เป็นร่างกายแข็งแรงสามเนี่ยอมามัดที่เป็นความรู้ ใช่ไหมนี่อัลลอฮ์ให้หมาต้องขอบคุณอัลลอฮ์สุภาหวูวะตาแล้วนะครับอายะที่8ดครับวกาละมูซานบีมูซากล่าวว่าอินตักฟุรูอันตุมถ้าพวกท่านในละคุณไม่เชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์ ว่ามัฟิลอะล์ิยามีอาและผู้ที่อยู่ในแผ่นดินรวมทั้งหมดปฏิเสธ AH. อัลลอฮถ้าคนทั้งโลกใบนี้นี่นะปฏิเสธอัลลอ์ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลคือทำชิริกกันหมดเลยไม่มีใครสักคนหนึ่งเชื่ออัลลอฮ์ถามว่าตำแหน่งอัลลอฮ์ลดหรือไม่ลด ไม่ลดครับหน่ะกูอ่านอายะต่อไปอินนัลลอฮะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นละกอนียุนกอนี่แปลว่ามีอย่างเหลือหลายอัลลอฮ์ไม่พึ่งอัลลอฮุสซามะติเราอ่านกันอยู่น่ะอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือทุกสิ่งทุกอย่างต้องพึ่งอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่พึ่งสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้แม้แต่นิดเดียวมนุษย์ต้องพึ่งอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องพึ่งอัลลอฮ์หมด ฉันถ้าใครไม่เอาอัลลอ์อัลลอ์ลดไหมไม่ลดจากตำแหน่งของอัลลอ์ลงมานิดนึงก็ไม่ลดครับตำแหน่งยังเหมือนเดิมอัลาลอฮ์ยังใหญ่เหมือนเดิมยังเป็นเจ้าของโลกใบนี้เหมือนเดิมใครไม่เอาอัลาลอ์ก็เชิญ น, นะครับฟ่อินนัลลอฮะลาอัลนิยุนฮามิดแท้จริงอัลลอ์ทรงมีอย่างเหลือหลายไม่ต้องพึ่งผู้ใด ถามีดุนผู้ทรงได้รับการสรรเสริญมนุษย์ไม่สรรเสริญอัลลอฮ์แต่สรรพสิ่งที่อยู่รอบๆข้างเนีย่ยสรรเสริญอัลลอฮ์อยู่แล้วนี่ก็บอกว่าเลือดเรานี่นะสรรเสริญอัลลอฮ์เลือดเวลามันเวลาเราตัดเนี่ยนะบางทีมันขึ้นนะ่ะขึ้นเป็นรูปรูปอัลลอฮ์ o, นะอัลลอฮ์อย่างนี้เลยเลือดเนี่ยเวลาพุ่งขึ้นทั้งบนเนี่นนะ มองพาพจริงๆอ่ะเป็นอัลลอฮ์ต้นมาตนไม้เนี่ยสูดยุติต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดสูดยุติแบบไหนเราไม่รู้มันถ้ามนุษย์ไม่เอาอัลลอฮ์ก็ไม่ว่าแ ต, ต่ตำแหนิงตาแหน่งของอัลลอฮ์ยังใหญ่เหมือนเดิมเลยอือัลฮัมดุลิลละอั น, นี้นบีอาิบายนะครับมัธิบายอย่างนี้ยาอิบาดีเนี่ยเป็นฮัตสกุดซีนะ นบีอัลลอฮ์เล่าอัลลอฮ์พูดนะครับบอกว่าบ่าของฉันเอ๋ยเราอันอาวาละกุมแต่หากคนแรกของพวกท่านวาอาเคระกุมแล้วคนสุดท้ายของพวกท่านมาคือคนทั้งโลกวาอินซากุมที่เป็นมนุษย์วาจินนะกุมแด้เป็นจินกานูอาลาอัตกอโกลดิรอจูเลนไวให้ดินมิงกุมคือ إ ي م ا ต่ออัลลอฮ์ทั้งหมด ไม่มีใครสักคนหนึ่งที่ปฏิเสธอัลล์รักอัลลอ์หมดเลยสูดูดต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดนะตำแหน่งของฉันก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้น <c oughs> ไม่เหมือนเราเนี่ยเราเนี่ยแต่ใครมีลูกน้องเยอะซ้าใหญ่มันนะถ้าลูกน้องไม่มีในแย่เลยนะมุดถึงกอซาฟีนะแมบริหารประเทศมาตั้งนานนี่ว่าแล้วมาตายในสภาพที่น่าสงสารมากเลยนะโอ้โหนะเอาที่นี้ ถ้าหาว่ามนุษย์ทั้งหมดตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้ายจะเป็นยินหรือมนุษย์ก็ตามเป็นหัวใจที่ไม่เอาอัลลอฮ์เลยตามคุรานอายะนี้นี่ฮะดีษอธิบายต่อมานากอัตริกามินมุลกีใช้อำนาจของอัลลอฮ์ไม่ลดแม้แต่นิดเดียวอำนาจการปกครองอัลลอฮ์ไม่ลดอ่านนบี สอนต่อไปอีกยาอีบ้าดีโอ่บาวของฉันเออถ้อาหากตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้ายมนุษย์ทั้งหมดและยินทั้งหมดเนี่ยมายืนอยู่ในที่เดียวกันฟาซาอาลูนีแล้วก็ทุกคนเนี่ยขอจากฉันนะฟาอาต้อยตูฉันก็ให้กุลละอินซานินมัสอาลาตาฮูเขาขออะไรอลัลลอ์ให้หมดทุกอย่างเลยให้ไปให้ทุกคนทุกคนทุกคนทุกคน รู้ั้ยเป็นไงรู้ไหมสิ่งที่อัลลอ์อยู่ในครั้งอัลลอ์เนี่ยไม่ลดแม้แต่นิดเดียวถ้าจะสังเกตก็กาย่งกูซุลมาคิดเหมือนกับเหมือนกับประเข็มอีดาอัดขอดัลบหรอเมื่อเข็มนั่ น, นแย่ลงไปในมหาสมุทรแล้วยกขึ้นมาเนี่ยถามว่ามันติดอะไรไห่ น้ำในมหาสนไม่ได้ยุบเลยฉะนั้นเมื่อเราลำมอบให้กับมนุษย์นะทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนอ้าววันนี้มีชลาเจ็ดพันล้านใช่หรือไม่ใช่เอายินเท่าไหร่เอาอีกแปดพันล้านเอาให้ทั้งยินแล้วกัมนุษย์นะครั้งอัลลอฮ์ไม่ยุบแม้แต่นิดเดียวเนี่ยทำให้เราได้อิมานต่ออลัลลอฮ์เพิ่มขึ้นครับ อ, อัอลลอฮฺ พราะนั้นพี่น้องต้องนึกนะพี่น้องเราที่ไปทําฮัทเนี่ยประมาณกี่ล้านเอาว่าสี่ล้านนะขอพร้อมๆกันเนี่ยสี่ล้านคนเนี่ยอัลลอฮ์รู้ทุกคนวันนี้ขออะไรนี่ขอมีอะไนี่ขอลูกอันนี้ขอที่ดินอันนี้ขอแพะอันนี้ขอลูกแฝดอันนี้ขอลูกผู้หญิงเัลลรู้หมดเลยอ่ะทั้งที่ขอพรพร้อมกันในนาเสียงกระหึ่มนะทางอัลอฮ์ฟ้อามีนามีนาแล้วก็ทีบัยตุลลอใช่ไหม มุตดาริฟะอะไรก็ตามนที่ขอพร้อมๆกันเนี่ยนะอัลลอฮ์รู้เลยว่าขออะไรอะไรอะไ ร, ะไ ร, ะไรนี่ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุภาพนะฮูวาตาอะแลนะครับน้องครับตกลงว่าใครไม่อิมานต่ออ <c oughs> ัลลอฮ์อัลลอฮ์มาจะเสียหายที่ไหนเลยมีแต่เราเองในแย่ใช่ไหมนบีเคยขอร้องอัลลอฮ์อยาอัลลอฮ์ให้คนอิมาน <c oughs> อิมานให้หมด ด่ลรอตอบว่าไงอ่ะเราว่าถ้าอิมานหมดฉันทําฉันทำก็ทำได้แต่ท่านก็ตกงานไม่มีงานทําอาทามันดีกันหมดเนี่ยอล๋อจะไปสอนใครอ่ะทับซื้กับมบุญองสอนเนี่ยสอนทําไมอ่ะราะมันดีกันหมดนี่แหละบ้านนึงอิมานบ้านนี้ไม่อิมานลูกเราสามคนสองคนอิมานดีสองคนอิมานอ่อ น, ออน พ่อก็ต้องเหนื่อยสอนต่อไปจนกว่าเราจะตายในอะไรยังไผลบุญมาอยู่ในการสอนน่ะหักแล้วยั้ไงถ้ามีลูกเราไม่สอนผิดอย่างแรงเลยท่านต้องสอนต้องบอกต้องเตือนต้องอธิบายต้องปลูกการสอนกันอะไรกันทั้งหมดให้ทําระวหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ทั้งหมดนะครับอายะสุดท้ายครับอะลามยอตีกุมชาวมักกะ ผู้ปฏิเสธเออไอันนี้ต้องการจะบอกชาวพวกเราวันนี้แหละชาวมัง ก, กาด้วยนะอัลัมยะติกลุมชาวมัง ก, กาผู้ปฏิเสธเอยไม่ได้มีมาแก่พวกท่านดอกหรืออัลัมยะที่กลุ่มข่าวขาว่ขาวเนี่ยของคนรุ่นก่อนๆเนี่ยไม่ได้มาหาพวกท่านดอกหรือนาบอุลลาดีนามิงกอบลีกุมซึ่งเรื่องราวของบรรดาก่อนหน้าพวกท่านที่เขาได้ตายไปแล้ว แต่ผ่านไปแล้วเนี่ยเคยรู้เรื่องของเขาประวัติศาสตร์ของพวกเขาบ้างไหมนี่อาจารนีสอนให้เราเรียนประวัติศาสตร์นะอ่าเรงเรียนประวัติศาสตร์เยอะๆคนที่เรียนประวัติศาสตร์จะรู้อะไรเยอะมากเลยอ้าทีนี้เป็นยังไงครับเกาเมนูเห็นหมู่ชนของนัวเคยเรียนไหมอ่าแล้วใครอีกครับว่ า, าดินหมู่ชนของอาร์ วาสามุตแต่ชื่อเพราะหมดเลยนะอาัศมุดเนี่ยเนี่ยทุกกลุ่มเนี่ยมีนบีมานาบีมานาบีมานาบีมามาสอนหมดเลยครับพวกสมุดเนี่ยพวกนี้พวกนักค่านักขายนะแล้วพวกนี้เชื่อว่าถ้าไม่โกงไม่รวยต้องโกงถึงจะรวยอลัลลอฮ์ทรงนบีสอนแล้วมามาสอนอลัลลอฮ์แล้วอลัลลอฮ์ลงโทษยังไง ร, รู้ไหมไฟ เนี่ยก้อนเมฆใหญ่ๆเนี่ยใช่ไหมพวกนี้หนีไปรวมกันน่ะไปหาที่เย็นๆที่ไหนได้นึกว่าฝนจะมาตั้งเข้ามาดีลมมาดีพอลงเต็นไฟตายหมดเลย mm hmm. เห็นไหมเนี่ยถ้าอ่านประวัติอย่างงี้กลัว mm hmm. นบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยเวลาฝนตั้งเข้ามาเนี่ยหน้าไม่ดีเดินเข้ามาสัสยิดเดินออกเดินเข้าเดินออกสถาบันนบีกลัวอะไรฉันกลัวประวัติจะซ้ํารอย แบบนบีสอนลยเห็นหมอย่างนี้เต้นท่านคนที่อ่านประวัติศาสตร์นี่นะครับจะนึกอะไรเยอะมากเลยและอีหมางมันจะเพิ่มนะครับในตับซีดของอิบนกะอธิบายบอกวา่าติซอประวัติของพวกอาร์สมูธเนี่ยไม่มีในคัมภีร์เตารอในคัมภีร์เตารอเล่มก่อนๆเนี่ยนะคัมภีร์ที่มาจากอลัลลอฮ์เนี่ยเป็นภาษาฮิบรูนะประวัติของนบีเนี่ย พวกอาร์ตสมุตไม่มีแต่จะเล่าในคัมภีร์อัลกรุรอานอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ที่ถ้าไม่มีนักบุญผีกวางเรารู้ไหมไม่รู้ขอบคุณ อ, ลอัอลลอฮ์อัลลอฮ์ร่าดนักบุญผีกวางนะครับวัน ล, ละนีนะมิมบัดีเหมและบรรดาลหลังจากพวกเขาคือหลังจากอาร์ตสมุตมาแล้วเนี่ยจนกว่าจะถึงนบีมุมฮัมมัดเนี่ยคนมาอีกอีกอีกเท่าไหรน่นะคนมาอีกเต็มไปหมดเลยเนี่ย ช่วงนั้นเนี่ยเราไม่รู้ประวัติว่าคนเขาอยู่กันยังไงอัลลอฮฺปิดตัวไไม่ให้รู้ในตับเซตอธิบายว่ามีประมาณส0มสิบชั่วคนนะสสบชั่วคนซึ่งอัลลอฮฺไม่ได้เล่าในกัปปีกุรอานละเราเลยไม่รู้ว่าเขาอยู่กันยังไงยังไงยังไงยังไงมีนบีมากี่คนไม่รู้ใช่ไหมล่ะไอที่รู้ต้องขอบคุณอัลลอสุบฮานูอาอเราก็รู้ว่านบีนวอ่ะอัลลอลงโทษนามอะไร น้ำท่วมใช่ไหมใช่ตายหมดไหมหมดคนที่ขึ้นเรือไม่ตายเอาวันนี้ก็น้ําท่วมอยูแล้วท่วมครั้งแรกหมดเจ็ดสิบปีที่แล้วปีสองห้าอะไรหมดเจ็ดเจ็ดเจ็สิบปีที่แล้วนะผมผมเกิดพอดีแหละเด็กวันนี้ก็เจ็ดเจ็สิบปีพอดีแสดงว่าเจ็สิบปีอาตามาทีแสดงว่าคนเราชั่วมากกว่าเก่าใช่ไหมเพราะต้อแชร์เรากระบาบเยอะเหมือนกันนะ ท่วมครั้งที่แล้วมัน7จปีนี่ท่วมมาอีกอ่ะครั้งนี้ใช่ไหมที น, นี้ละยาละโมหุมอิลลอไม่มีผู้ใดรู้เรื่องของพวกเขาดีอิลลอละนอกจากอัลลอ์บางช่วงบางบางอะไรนะบางประวัติเนี่ยอัลลอ์ไม่ได้เล่าในคัร์อักรุรอานไม่มีใครรู้เรื่องของเขาเหล่านั้นดีนอกจากอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และ นี่จากพวกเราเนี่ยนะประวัติน่าจะบันทึกกันบ้าง อ, อ่านี่ลูกหลานเรามาจากไหนแช่นั่ชนชน่นี่มาจากปัตตานีมาอยู่ที่ไหนยังน้อยให้รับรู้กันบ้างใช่ไหมออมัสยิด ท, ที่บ้านใครผู้คนสร้างที่ดินใครบริจาค ก, ก็บันทึกเก็บเอาไว้ให้ลูกหลานได้นึกโอ้โตัวโย่เราก็ขอบคุณนะล้านะที่บริจาคถ้าบริจาควันนี้ขายไปแล้วตรงนี้ขอบคุณล้านะ อตลอมากับเจ้าทุมรุสูลุมบิลบยนาบันดารุสูลของพวกเขาได้มาอย่างพวกเขาด้วยหลักฐานต้องการจะอธิบายว่าทุกยุคทุกสมัยเนี่ยอัลลอฮเมตตาส่งรุสูลมาแต่นี่พอส่งมาแล้วเนี่ยเป็นไงพวกนี้ต้อนรับต้อนรับรุสูลของอัลลอฮดีไหมไม่ดี ไม่ได้ตอบรับไม่ได้ต้อนรับระซูลของอัลลอฮ์แบบดีๆเลยผลที่ทาไงครับฟารห์ดูไอ้ดียะฮุมพวกเขาเอามือของพวกเขาอุดปากอธิบายนะครับว่าอุดปากเนี่ยอุดปากอธิบายว่าไม่เชื่ออืมไม่เชื่อเอามืออุดปากตัวเองบ้งมือจะอุดปาก<ม>นาบีบ้างทําสารพัดทั้งหมดนั่นแหละปฏิเสธ แสดงว่าอัลลอฮ์แต่งตั้งนบีมาเนี่ยส่วนใหญ่นั่นไม่ต้อนรับนบีของอัลลอฮ์รวมไปถึงวันนี้คนที่เอัลสุนนะไปสอนตามบ้านเนี่ยเข้าตามสุเราไม่ได้เพราพ่อเขานสมัยก่อนนั่นแหละ อ, าอา้าวอัลสุนนะไปสอนต้องนี่ไม่ให้เข้าคณะใหม่วะฮับีอลุลโลวะกะวัด ก, ก็ต้องสอนทางทีวีก็เข้าสุเราไม่ได้เนี่ย แต่ไพ่โพสวรรค์เขาไม่ยอมรับกันนะทำโดยแล้วไม่มีปัญหาฟารรดูไอเดียฮุมฟีอาโฟะฮิหิมพวกเขาเอามือของพวกเขาอุดปากของพวกเขาเองหรืออธิบายว่าปิดปากปรอซูลด้วยคืออธิบายว่าไม่เอาซู น, น่าของนบีเข้าสอนตามหมู่บ้านไม่ให้เข้าบ้านเอาประวัติจะไรเอาเอาอะไรนะเอาประเพณีปฏิบัติของโตโยะ เอามาเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแทนจะแต่งงานทัง้งทีจะเอาสูน่านาบีไม่เอาไม่เอาต่อยอดต่ยอดทำไงแชร์าทาไงอันล้อสมัยก่อนนะนะต้องมีเพลงนะถ้าแต่งงานเนะี่ยเดี๋ยวนี้มันเบาไปเยอะแล้วนะ่ะทำด้วยเรือคอบคุณนั่นแล้วเพราะจนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะไอ้ที่ไม่เอาของบาปเข้าบ้านเพราะจนเนี่ยผลบุญไม่มีนะผลบุญไม่มีมันต้องไม่เอา ของฮารามเข้าบ้านเพราะเราเข้าใจซุนนะอ้อห้มดลยเลยอาเอาลอฉันไม่เอาเพลงเข้าบ้านเพราะนึกถึงคำสองคาส่งของอัลลอ์มีพลบบุญไม่มีเงินอัลลอ์ถ้ามีเงินนะบาปนี่ไม่มีขอบคุณอัลลอเอาต่อมาครับวากอลูพวกเขากล่าวว่า อินนากะฟารนาบีมาอุตซิลตุมบี um แท้จริงพวกเราแท้จริงเราอยู่ในการเราอะไรนะเราไม่เชื่ออินนากะฟารนาแท้จริงเราไม่เชื่อบีมาอุซิลตุมบ um ีฮีที่พวกท่านได้ถูกส่งมาที่เราซู้นําอามาเนี่ยเราไม่เชื่อ ใช่ไหมม้าเอามือปิดปากตัวเองแล้วเอามือปิดปากนาบีแล้วก็ไม่ให้ซุนนาเข้าบ้านเพราะว่าเราไม่เชื่อสิ่งที่ท่านนําเอามาสอนต่อมาครับว่าอินนาลาฟีชักกินและแท้จริงเราสงสัยชักชักแลว้วเราสงสัยเราสงสัยในคําสอนของนบีที่มานั่นแหละเราสงสัยหมด วันนี้ก็เหมือนการคำสอนของนบีมุฮัมมัดถูกสงสัยโดยชาวบ้านเองนะครับสงสัยมิมมาตาดาวนาไนฮิมูรีบต่อสิ่งที่ท่านเชิญชวนเรายังสิ่งนั้นเราเนี่ยสงสัยในสิ่งที่เขาเชิญชวนเราไปสู่อัลลสุบฮา น, ววนาอูวาตาลอายะทั้งหมดเหล่านี้นะครับเป็นน้องเป็นข้อเตือนใจทั้งหมดว่าวันนี้ เราก็ต้องนําเอาสุนนะของนบีเนี่ยไปสอนที่ทผมเนี่ยทามาตอนเช้าใช่ไหมแค่ดูอาอย่างเดียวเนี่ยใช่ไหมดูอาตอนตื่นนอนดูอาเข้าห้องน้ําดูอาหอบจะห้อมน้ําดูอาใส่เสื้อดูอาส่องกระจกดูอาออกจากบ้านดูอาเข้ามัสยิดกี่ดูอาน่ยอย่างน้อยหกเจ็ดดูอาเนี่ยพี่น้องแล้วก็ถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยดูอาขึ้นรถ ใช่อาวดูอาขึ้นสะพานไปเจอรถอกเซเดนชนกันมีดูอาอีกดูอาเต็มไปหมดเลยแล้วก็วิเคถึงอัลลอ์ในตอนเช้าวิ่งละลอิลลัลลอฮวะฮฺดะูลาชรกะลลลมุลกุวลฮลฮัมดุวะวะลาุลลิชอิกดรอัลลอฮมะบิกะอับะฮนาวะบิกะอัมซัยนาวะบิกะนามูดุอัลลูอาเต็มไปหมด การนังรำลึกถึงอัลลอฮ์ทให้ใจสงบทบทวนอัลกุรอานใจสงบสอนสอนคนใจสงบฟังศาสนาใจสงบอัลลอฮ์นะครับ س นะกลุมบิฮัมดิกสข้ดวนเลยอีลฮอันตะอัตักวิรุกอูบุลกสลามุอะลัยกุมามะุลลอฮ์มุบารต